ก็ดังที่กล่าวนะว่าการศึกษาพระธรรมเราก็คงมีจุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ไหมการเรียนการฟังการพิจารณาอริยสัจเพื่อให้เราจมอยู่ในทุกขสั์หรือใช่ไหมจะได้จมอยู่ในชาอดต่อไปไหมก็ไม่ใช่เพื่อจะได้ชราไม่มีที่สิ้นสุดไหมก็ไม่ใช่จะได้ป่วยมากๆป่วยเยอะเยะ ก็ไม่ใช่จะได้ตายแล้วตายอีกก็ไม่ใช่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเจริญหรือการพิจารณาอริยสัจอะไรฉนั้นผู้ที่พิจารณาอริยสัจเนี่ยนะคุณธรรมที่เขาหวังเป็นคุณธรรมอันแรกนะคืออะไรนะผู้ที่พิจารณาอริยสัจในภาวะของปุถุชนในเพศ ข, ของปุถุชนเนี่ยนะสิ่งที่เขาหวังควรจะเป็นอะไรคุณน้อ ง, น, องนั่นเหรอ แต่คนอื่นบ้างเจริญให้เป็นอะไรคุณอารีก็แล้วกันอ่าให้ไม่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สักทีหนึง่งน้องให้เบือ่อคุณอารีให้พ้นทุกข์แ <c oughs> ม่ครูแม่ครู <c oughs> อ๋อเอาโสดาบันเลยอตรงประเด็นที่สุดเออเป็นโสดาบันแล้วมันดียังไงคุณชูศรีแล้วตอบมันเป็นเรื่องเดียวกันเนีอ๋อ ปิดทุกปิดอบายคุณทศจินว่าไงให้้นจากสิ่่งทีรกกอ๋อให้พ้นจากสิ่งจะได้หลีกออกสักทีนะเนีหลีกออกจากสังขารธรรมทั้งปวงคุณธพ า, า, าอ๋ อ, อ, อให้เดินถูกทางตามอรยมิยมรรคนะเนี่ยแล้วเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจะได้ดำรงอยู่ในคุณธรรมอะไร คุณธรรมอะไรของพระเป็นอ่าคุณธรรมของพระโสดาบันมีอะไรบ้างอาจารย์เกตบ้างกอนนี้เล่นเป็นทีมนลนะเขาว่าไงอ๋อละสกายาทิถิวิจิกิจชาศีลพัตตะปรามาตอ๋อเต็มเป็นอย่างงั้นเนาะใครนั่งบางเสาตัวโน่นน่ะยัอมอยใจแน่เนาะ ลมกระจายว่างไงถ้าเป็นพระโสะดาบันแล้วจะมีคุณธรรมอะไรบ้างเนี่ยไหนคนอืน่นบ้างจากนีก้นิดแล้วกันใกล้ๆหน่อยเป็นพระโสะดาบันแล้วจะได้ดียังไง ว่าไงเนี่ยยังไม่ได้ยินเล ย, อ, ยอ๋อแล้ย <laughs> ิหนหล้าอะยังไม่ได้ยินเลย <laughs> จะได้ยินว่ายัางไงเนาะกำลังคอยดูโสตวิญญาณอยู่ <laughs> ไม่ตอบอีกโอ้หักคะแนนเลยนะเนี่ย <laughs> จ้างแค่สอนน่อนอ <laughs> องงี่ตาเราห้อยเลยต อ๋อจะได้ละอากุศล ท, ทีหนึ่งใครอีกเนาะใครนั่งบางเสาอีกข้างหลังนั่นนะหมอยพิมพ์ม่น้าห ล, <c oughs> ลบเสาหน้าดูเลยว่าไงเป็นปโสมลาบันแล้วดียังไง <c oughs> อือจะได้ไม่ต้องเกิดแนบนบายอะไรอีก เป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาตินะไม่เป็นไรดื่มน้ำครามอีกเจ็ดครั้งละละสังโยชน์อีกสามละมัจเฉริยะอีกโอ้อะไรอีกละอะไรอีกเนาะ <c oughs> คุณนภาว่าไงเนี่ยเมื่อกี้ อ๋อจะได้ละความสงสัยสักทีนึงหมอลนะน่ะเป็นพระโสดาบันแล้วดียังไงจะได้้พนอ๋อจะได้พ้นทุกข์่อะะ น, น, นะคุณทลินีเป็นผู้มีศัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระดำพระสมเป็นผู้มีเสียงบริบู เป็นผู้ที่เที่ยงที่จัดกรเสน่ห์คนจากชาติเชียงนะน่เป็นวําคนคุณมูนมีถามนะนะตอบมัางปิดประตูอบายครับอ๋อปิดประตูอบายอ๋อนะก็ตรงตัวดีคุณพี่ดาล่ะเป็นพระโสดาบันท่าดียังไงอ๋อ อ้าวก็ไม่ได้บอกว่าห้ามตอบซ้ำนี่ละสังโยดสามเอาแต่หัวข้อเข้าไปเปิดอภัยอ่านะเอา เออแจงแดงอ่ะอ๋อจะเลิกโก้ัะที <c oughs> ละบาปละอกุศลซ ท, ทีนนะก็เขาเรียกว่าทุกคนก็ตอบเป็นพาศิทธทุกคนนั่นแหละไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็อยางว่านะว่าคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ว่า เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยองค์ุณแห่งความเป็นพระโสดาบันอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเนี่ก็เป็นผู้ที่ได้มรดกจริงๆคือพระพุทธเจ้านี่มีพระนามัสักกะเนื่องจากพระองค์มีทรัพย์มากผู <tänker> ้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลก็คือผู้ที่รับทรัพย์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรัพย์ที่ที่เราทั้งหลายจักได้จากพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโสดาบัน น, นั้นคืออะไร ก็คือหนึ่งบริบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลเนี่ยนะสองศีลดีขึ้นสามหิริสีโอตัปปะห้าสุตตะหกจารคเจ็ดปัญญาอันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจะบริบูรณ์ด้วยอริยศัพ์เจ็ดประการเนี่ยนะตามสมควรแก่ฐานะนะแต่ก็ไม่รวยเท่าพระสกะทาคามี น, นะแต่ว่ารวยกว่าปุตุชนเป็นพันล้านคนนั่นแหละเพราะว่าพ ร, พระโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ มีโสตาปริยังค่าธรรมอยู่ในตนสประการใช่ไสประการก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านี่ยนะก็เมื่อกี่ฟังผู้การสาธยายถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งในองค์คุณแห่งความเป็นพระโสดาบันเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นโดยอย่างเช่นอุบาลีเครหบดีเนี่ยสามารถ สรรหาถ้อยคํามากล่าวว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมอะไรบ้างนน ก, ก็กล่าวชื่นชมพระพุทธคุณโดยประการต่างๆได้เพราะว่าเขามีอริยสรัรพย์คือปัญญาเห็นคุณของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์มีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลื่อมใสด้วยความสนิทใจจริงๆงนะไม่มีความเคลือบแคลงอย่างเมื่อกี้หลายคนใช้คําว่า ละ ว, วิจิกิจชาใช่ไหมวิจิกิจชาก็คือหมดความเครือบแคลงนั่นเองอันผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็คือไม่เครือบแคลงสงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ที่สําคัญที่สุดนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรอันถ้าเราสังเกตจากโครงสร้างที่ผู้การสาธยารเมื่อกี้ก็เน้นไปที่อะไรอริยสัจเป็นหลักใช่ไหมเน้นในการพิจารณาอริยสัจเป็นหลักว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่กําหนดรู้ทุกโดยประการทั้งปวงในทุกขนทุกแห่งทุกอารมณ์ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่พิจารณาไม่มีนี่ยนะนะถามว่าพิจารณาหลักการพิจารณาของพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าอย่างไรหลักการก็คือโดยอาศทะคือสมุทัยสัตว์โดยอาทีนวะคือทุกขสัตว์เนี่ยนะนะแล้วก็โดยอะไรในสารณะนะคืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกเนี่ยนะนะ ถ้าใครศึกษาพุทธคุณให้ดีๆนะสังเกตดูไม่มีพ้นอริยรสัจสี่หรอกในคําสันเสริญพระพุทธเจ้านะี่ทุกบทเลยคือเกี่ยวข้องกับอริยสัจหมดเพียงแต่ว่ายกสัจจะไหนขึ้นมากล่าวให้เด่นชัดอย่างอรหันตคุณก็เน้นไปที่การละสมุทัยสัจฉันผู้ใดกําจัดสมุทัไทยได้โดยประการทั้งปวงบุคคล น, นั้นก็เรียกว่าพระอรหันตถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สันเสริญใน มักกสัตร์ที่เกิดโดยลำพังพระองค์เองแล้วเป็นที่ตั้งแห่งพระยานอันไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์นี้สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะก็มักกสัตร์เนี่ยนะกลุ่มมักกสัตร์สเสด็จไปดีแล้วก็คือไปสู่อมตะนิพพานก็นิโรสัตว์ไปตามอริยมรรคก็มักกสัตร์ละไม่ไม่ย้อนกลับมาหาบาปอากุศลอีกก็เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะ ครองนีท้ทำปริญญาในโลกเสร็จแล้วเนี่ยนะโลกกับวิทูรู้แจ้งโลกทําปริญญาในโลกโดยเส้นเชิงอันนั้นก็เป็นทุกขสัตว์เห็นไหในในความที่พระองค์รอบรู้ในทุกขสัตย์อันท่าศึกษาให้ดีๆจะไม่พ้นอริยสัจแล้วแต่จะยกบทใดขึ้นมาชื่นชมมาสรรเสริญก็าตามอั้นพระโสดาบันเนี่ยเขาคือบุคคลที่เห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจนี่เข้าใจเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็น เป็นผู้แทงตลอดอริยสัจจริงๆถ้าพระองค์ไม่แทงตลอดอริยสัจพระองค์จะ อ, อริยสัจเหล่านี้มามาบอกบุคคลอื่นได้อย่างไรก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันรู้แจ้งแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องอริยสัจจะทําอีกต่อไปไม่ต้องใอยคนอื่นมาคอยกล่อมมาอริยสัจมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเป็นพระทศดาบันแล้วไม่เป็นอย่างนั้นะนะไม่เคลือบแคลงในการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรม นิโรธให้แจ้งโดยประการทั้งปวงนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการเจริญอริยสัจปุตุชนทั้งหลายเมื่อพิจารณาอริยสัจก็จานงหวังความเป็นพระโสดาบันถ้าแบ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มก็คือดังที่หลายๆท่านพูดก็เป็นนิยามที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยนะก็จากคำพูดหลายๆคนพูดก็เลยบริบูรณ์เลยนะ จะจ ะ, จะเหยียบอบายภูมิเนี่ยนะคือความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะรอบรู้อะไรหนึ่งโดยการทำปริญญาอ่โดยปริญญาเกตจก็คือกำหนดรู้วัตตาในภูมิสาม น, นะ กําหน่รู้วัตตาในภูมิ3อันนี้คือปริญญาของท่านเมื่อท่านกําหน่รู้อย่างนี้ท่านละอะไรประหานะก็คือสังโยชน์สสังโยชน์มก็แบ่งเป็นสกายาทิฐิวิจิกิจชาศีละพาตศีนกับวัต ละศีลละวัดที่ที่เป็นลทัทธินอกาศาสนาเนี่ยนะถามว่าสกราระทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพะตัตตปรามาตเกิดที่ไหนก็เกิดในวัตในภูมิสามวัตในภูมิสามนี้เป็นที่ตั้งแห่งสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีละพะตัตตปรามาตเมื่อทำเมื่อทําปริญญาวัตตในภูมิสามก็จักละอันนี้โดยแรกที่ ผู้ที่กำหนดรู้จริงละได้จริงก็ต้องทำนิพพานให้แจ้งเรียกว่าสัจจิ ก, กิริยาเพราะอะไรเพราะภาวนาเพราะการภาวนาก็คือเจริญอะไรก็แบ่งเป็นสองคือสมถะกับวิปัสนาสมถะมี6วิปัสนามี2ก็คือเท่ากับมัด8นั่น ทนี้เมื่อผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะที่แน่ๆคือเห็นนิพพานมรรคอันนี้มีชื่อว่าทัศนมรรคเป็นเป็นมรรคที่เห็นพระนิพพานเนีนะเมื่อเห็นพระนิพพานอย่างนี้เนี่ยนะว่าความเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านละเพียงแค่สังโยตสามใช่ไหมอย่างละอะไรอีก ความทู่ศีลเช่นถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องศีลห้าเนี่ยพระโสดาบันไม่ผิดศีลห้าอีกต่อไปจะถ้าเป็นถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะถ้าเป็นพระพิสุกก็ศีลที่เป็นตัวศีละสิกขาใหญ่ๆเลยนะจะไม่ผิดจะผิดเฉพาะสิ่งที่ท่านไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ว่ามันผิดท่านจะทำคืนรู้กลางวันท่านจะทาคืนกลางวันรู้กลางคืนจะทำคืนกลางคืนมันก็คือ ทีนี้สิ่งที่เอามายกย่องโดยมากเลียน ะ, ะเกี่ยวกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือเกี่ยวกับอริยศาสตร์เนี่ยผู้ที่ทำปริญญาเสร็จเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยนะมีพิเศษให้เห็นเพิ่มเติมอีกทำไมเสียงมันเป็นยังงไม่ไม่ปิดได้ไหมอ๋อนี่มาดูเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า ถ้าวัตตะในภูมิสามเมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยละอะไรก็เห็นชัดๆคืออบายสี่น่ยนะอบายสี่ประการเนี่ยละออกไปละอะไระพบที่แปดน่นะแล้วก็เลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ทำไมจึงเลือกเกิดได้เพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย อริยทรัพย์เนี่ยนะท่านสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเมื่อท่านมีคุณธรรมอันนี้ท่านประสงค์จะเกิดที่ไหนก็ได้อันนะภายในเจ็ชาติเนี่ยนะท่านคํานวณดูก่อนนะว่าสมควรจะเกิดที่ไหนก็ได้ก็ดังที่กล่าวว่าผู้มีทรัพย์โดยมากก็เลือกได้ใช่ไหมเลือกเลือกซื้อบ้านอยู่ได้ไหมถ้ามีทรัพย์จริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเลือกนอนอยู่ในครันแม่คนไหนก็พอได้นะแต่ต้องเขาต้อง เข้าองค์ประกอบของการปฏิสนที่นะไม่ใช่ไปขอเกิดกับคนที่เขาเป็นโสดถือศีลสิบนี่ไม่ได้หรอกนั่นเกินไปแต่มหมายความว่ามันมันเข้าองค์อ่ะนะ <c oughs> อันนี้เกี่ยวกับวัตตะในภูมิสามเนี่ยนะพันท่านเท่ากับว่าท่านดับอะไรได้ดับชาติชรามรณะได้หลายส่วนเนี่ยนะ ดับชาติชรามมรณะได้หลายส่วนถ้าเป็นพระโสดาบันนะตัดปัญหาชีวิตออกไปมากมายเหลือเกินเนี่ยนะตัดบาปอากุศลไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะละตัวอกุศลเนี่ยสกายธิ ท, ท, ทิวิจิจกิจชาศีรพัตตะปรามาตอนนะแล้วก็ความทุศีล์ต่างๆอนนะละมัชระยะอนนละอิศามัมชระยะด้วยนะ ริศยาด้วยละอิสามัรชริยะที่ที่เป็นกลุ่มสมุทัยสัตว์ละบาปอากุศลอีกมาก น, นะละการคบมิรชั่วละคบาศาสดาชั่ว น, นะละคบเอ่ออะไรละการนับถือผู้อื่นนอกจากพระพุทธเจ้าว่วาเป็นาศาสดาเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านเห็นธรรมะเป็นที่สงบดับทุกข์ทีนี้มรค น, นี้เนี่ยเป็นโสดาปฏิมร์เป็นนิยตะเป็นสัมมตั เป็นสัมมัตตธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ถูกต้องโดยชอบแน่นอนประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล้วก็เที่ยงแท้นนนี่โตในเที่ยงคือเป็นมัชที่แน่นอนโพสัมโพธิปลายโนบรรลุมมัชเบื้องสูงแน่นอนเช่นสกะทาคามีมัชใช่ไหมจักได้สกะทาคามีมัชอนาคามีมัชอรหัตตามัชแน่นอน แต่ก็อยากจะเน้นว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะคุณธรรมที่เห็นเห็นเลยก็คือศรัทธาสัตทินซีนี้มีกําลังมากเพราะว่าพระโสดาบันในบรราอินทรีห้าประการนะพระโสดาบันเนี่ยเปี่ยมล้นด้วยสัตทินซีมิสัตทินซีนี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเกี่ยวกับพระรัตนตรยัยกับตัวศิกขานี่ยนะ ว่าพระโสดาบันเนี่ยมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่ปฏิเสธพระรัตนไตรไม่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเก็ถ้ายิ่งศรัทธาของพระโสดาบันที่เหมือนกันคือท่านไปที่ไหนก็ไปเพื่อนมัสการพระรัตนไตรเขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะ น, นึกถึงถ้าเป็นลูกของนายปุณณะนะนายปุณณะตอนตอนต้นท่านเป็นคนยากนะตอนหลังได้เป็นเศรษฐี แล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางอุตรานางอุตราเนี่ยถ้าแต่งงานนะแต่งงานช่วงก่อนเข้าพรรษาแต่งงานก่อนเข้าพรรษาอยู่หลายเดือนเหมือนกันแล้วก็อยู่แล้วก็พอแต่งงานเสร็จเนี่ยนะก็ไปแต่งงานกับครอบครัวมิชชาทิฐิถึงปกติมันเข้าพรรษามันเก้าสิบวันใช่มเก้าสิบวันเนี่ย เหลือสิบห้าวันก่อนจะออกพรรษาแสดงว่าผ่านได้ไดกี่วันแล้วข้าวพรรษามาได้เท่าไรอันนก็ได้เจ็ดสิบห้าวันใ ช, นใช่ก็เหลืออีกสิบห้าวันจะออกพรรษาก็เลยไม่ไหวก็เลยขอพ่อว่าเนี่ยได้นับถือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ได้ทำบุญให้ทานเลยนั่นก็เป็นคนที่สละเนี่ยนะปกติคนอื่นก็หวงผัวมากนะเจ้านี้ จ้างผัวให้มีเมียน้อยไปก่อนตัวเองจะได้ใหทานสมาทานศีลจะได้ฟังธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีความมั่นคงในในเรื่องของศึกษาในเรื่องการให้ทานรักษาศีลเนี่ยมั่นคงดีขนาดนั้นตั้งมั่นอยู่ในอุโบสถเนี่ยนะก็อันนี้คื อ, อความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นางก็ดีแล้วก็ศึกษาโดยเฉพาะอาธิศีลและศึกษาท่านพระโสดาบันไม่มีความคดทางกายและทาง วาจาอาชีพนี่แน่นอนพระโสดาบันไม่คดทางกายวาจาและอาชีพเพราะฉะนั้นกายยตุจริตให้พระโสดาบันรมชนิดที่ล่วงกรมบทอันนะที่เป็นอ ป, ปายะขามินีเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่ท่านจะทำนะนั้นพระโสดาบันเป็นต้นก็มีคุณธรรมคือศรัทธาศรัทธาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่ว่าเด่นที่ศรัทธาเนี่ยนะ อันก็ผู้การไปไหว้พระเจดีก็อนุโมทนาละได้ได้องคุณไปตั้งหลายตัวใช่ไหมว่าที่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณนายเกาะชายเสื้อผู้การมาให้ดีไม่ใช่ใชายจีบอนเนี้ย ก็มีน er uh, um. ้ําก็ไปฝากผู้การได้ก็ในสันเลขสูตรว่างั้นนะผู้ที่ถึงไตรสนนคคมก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันในอัตกถาสันเลขสูตรอธิบายไว้อย่างนั้นนั้นถ้าเราเราทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงไตรสนนคคมนีนะ แล้วก็คือผมผมศรัทธานในคำสอนที่ว่ า, เ, าเรื่องความทรงจำเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะแต่ก่อนนี้เนี่ยผมก็ดูถูกตัวเองว่า เ, ออเรานี่อายุขนาด น, นี้แล้วถ้าจะไม่ไหวแล้วก็หลายคนคิดอย่างนั้นพี่สาผมอายุมากกว่าผมอีกเวลานี้เนี่ยชักเห็นคุณแล้ว พอเข้าครัวก็บนพึมพำพึมพำพึมพำนะลูกชายถามแม่ทักบ่นอะไรอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีใบมาใบาหนึ่งเนี่ยเหลือไปดูสักทีนะทำกับข้าวไปก็ไปเหลือดูสักทีอย่างเงี้ย น, น, นะเพราะฉะนั้นน่ผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ได้ไดทดลองดูเถอะไม่มากก็ น, น้อยเนี่ยทรงจําไม่ตัวหนึ่งแล้วก็ทรงจําไว้เนี่ยนะครับพะเห็นว่าเมื่อทรงจําไปแล้วเนี่ยก็นำเอาสิ่งที่ทรงจํามาเนี่ยนะครับ หนึ่งนะสาธยายโดยที่ยังไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยให้คล่องก่อนก็ได้นะและเมื่อสาธยายคล่องแล้วก็นําแต่ละคํานั้ น, นมาเข้ามาสงเคราะห์ในตัวเนี่ยนะว่าค่อยๆพิจารณาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านถ้าท่องได้สักห้านาทีเนี่ยท่านเอาไปตึกได้นานทีเดียวนะ เ, เพียงพอทีเดียวที่ท่านจะเอาไปพิจารณาแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะก็จะได้ความทราบเึิ่มความเข้าใจธรรมะเพิ่มมากขึ้น ก็อย่างช่วงนี้เราก็เรียนอริยศัสตร์บัพพานี่นะซึ่งหัวข้อในอริยศาสตร์นะเป็นหัวข้อที่อะไรมันคุ้นเคยกันจนไม่รู้จะคุ้นยังไงเนี่ยนะทรงจําก็ทรงจํ า, จาได้และสําคัญก็คือทํำยังไงเราจะเอามาพิจารณาในในชีวิตจริงๆได้มากเท่านั้นอย่างเช่นชาติทุกข์เนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายที่เรามนสิการอยู่ที่เรียกว่าสัตว์และสังขารทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่นับเนื่องในชาติเป็นธรรมดาจริงๆก็เราเราที่เรานึกถึงทุกๆอย่างที่เราคิดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สองสิ่งที่เรานึกทั้งหลายคือสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาเพราะฉั้นชาติชาามรณะเนี่ยมีทุกขนทุกแห่งทุกอารมณ์ที่เราที่เราคิดถึงนะนะทุกอารมณ์เลย แล้วก็วันก่อนที่โยมถามว่าเอ๊ะเมื่อมนสิการว่าทุกอย่างเนี่ยมันชรามรณะชรามรณะมนสิการไปมนัสสิการตายทําไมใจมันมันไม่เพลิดเพลินนะนะเหมือนเหมือนกับว่าไม่ค่อยร่าเริงเป็นอย่างนั้นไหมไม่ค่อยร่าเริงเลยนะเออเนี่ยนึกถึงใครก็เดี๋ยวจะแก่เดี๋ยก็แก่เดี๋ยก็ตายเดี๋ยก็แก่เดี๋ยก็ตายนึกถึงอารมณ์ไหนก็ของของที่แก่เป็นตายเป็นทั้งนั้นเลยทําไมชีวิตยังมันเหมือนกับมันเฉาลงเฉาลง